ก็คนคนมาอีกแล้วีกสองคนเนาะเมื่อกี้ไปแจนตุ้นก็ที่จริงก็ทัหญไปเราก็หนงมก็เชื่อความคิดเป็นอะนรไม่นก็ยยากเนาะ คิดนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติทำไปแล้วแต่ไม่มีความคิดนะแต่หลวงปู่ตูนเขาบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็มรู้พอเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละถึงจะรู้ได้คนะือคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคือเราอย่างธรรมะมันต้องอาศัยการคิดเข้าใจไม่มันจะไม่เข้าใจนะ จะอ่าหนหรือจะฟังหรือจะวิคราะห์วิจารณ์มันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยของคนทั่วไปนะไม่แต่พตู้พุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่ว่าห้าปจะคิดแล้วก็เข้าใจธรรมะนะท่านเกิดการปฏิบัตินะทบทวนเห็นซ้ำๆ น, นะคือเกิดความเข้าใจพวกเราเองที่เป็นสาวกก็เช่นเดียกันนั้นคิดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นะ แต่สิ่งสำคัญสตินะจะทําให้เราทันความคิดตอนใดเมื่อใดที่เราเท่าทานความคิดความคิดจะกระจุกไปหรือว่าเราจะเห็นว่าความคิดเป็นเพียงแค่าอาการปุ่งแต้มันก็จะหยุดไปนะกุศลอกุศลดีใจเสียใจชอบหรือชังก็จบลงไปนะนั้นเรียกว่าเป็น ไม่ปกตินะไม่ปกติตรงข้ามกับอะไรปกตินะ <c oughs> ใจเราก็กลับมาเป็นปกติเจอหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึง่งไม่ปกติคือทุกขนะ์ปกติก็คือไม่ทุกข์นี่นะคิดนะก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเกิดคิดนะก็คือไม่ทุกขนะ์ เพิ่มมือสาคัญคือสตินะไปทําให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันความทุกข์นะมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ทำให้เราไม่คิดได้ไม่สติไปทําหน้าที่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปกดพงความคิดนะแต่เราฝึกเนะี่ยคิดก็จะไปไล่เข้ามาก็กลับมารู้สึกรู้สึกถึงการกระทํานั้นๆอยู่ หรือมันไะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมนปรงไปแล้วก็กลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแต่ก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็เห็นนะักนะเห็นแต่ไม่ไหลไปกลับมันนะักนี่ก็นะพอคนกับเก่านะ่าจะแยกไปฝึกก็ได้นะักไปดูตามรูกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็แค่สังเกตเห็นนะความคิดมันเกิดขึ้นในจิตในใจไม่ต้องไปห้าม แต่ไม่เผลอตามมันนะอากเกตดูอะไรไปเกิดขึ้นก็ดูมันนะดูลงไปก็เดี๋ยวประมาณตีสิบโมงยี่สิบก็ค่อยับออกมาก็ได้นะสำหรับคนเก่าเก่าถึงคนใหม่ๆก็เดี๋ยวแนะนําปฏิบัตินะอืม ใหม่ก็เด็กมาตั้งหน้าก็ไดเ้เดี๋ยวเกลือบางขณะจะได้พูดไม่ต้องใช้ใหม่ว่ากระดคนขอาวก็ท่านใจปฏิบัตินอเดี ยายไฟแดงสิจริงมือใหม่เป็นไฟแดงไล้สดฉันงานา ลองลองฝึกแบบแบบแนวหลวงพ่อเทียนนะที่จริงนะหลวงพ่อเทียนก็คือประยุกต์ตามที่พระเจ้าท่านบอกเหมือนเขาเรียกว่ามันมีในสติปัฏฐานสูตรนะมันมีหมวดที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะก็คือหมวดที่ว่าด้วยการทาความรู้สึกตัวคือเราต้องติดในนากาักกายสูตรนะเนพระพพุทธเจ้าท่านจะนั่งสมาธิเจดฟันเจ็ดคืนตลอดนะ ไม่ใช่พระจะต้องแบบนั่งแต่สมาธิหรือเดินเจรกรมนั้นหรือพระพุทธเจ้าทำแบบอิริยาบถย่อยๆนะเราก็รู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวเนี้ยกำลังทําอะไรอยู่รู้ทันตัวรู้ทันกายหรือรู้ทันใจะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจให้มีความรู้สึกซึ่งอิริยาบถย่อยๆพวกนี้ถ้าเราเห็นนะมันสาคัญมากนะคล้ายๆเหมือนกับเราหาเงินหาทองเนาะ แต่เราใช้รู้จักใช้เงินใช้ทนทางที่เป็นประโยชน์อ่ะเงินทองที่เราหามันก็จะไม่ซื้อรุ่ยซื้อไล่อย่างที่เขาบอกมีแต่ดึงพึ่งบนจบที่ครบบาทอ่ะบางทีมันเล็กเล็กมีน้อยเนี่ยแต่ต่อไปเรื่อยๆมันจะเยอะเหมือนกับน้ําฝนฝนมันตกลงมาก็ทีละทีละเม็ดนะมันแต่มันรวมกันเยอะๆมันก็กลายเป็นเต็มทั้งเต็มอ่างเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกตัว ที่สะสมคีรพนันเนี่แหละมันจะทําให้เราเติมเต็มเกิดความเข้าใจตัวเรามากขึ้ น, นอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนําเรื่องเรียบบทย่อยๆให้เรารู้สึกตัวไปด้วยนะแต่ตอนไหนเราจะไปทําสมาธิไปปฏิบัติในรูปแบบเราก็ทําไปด้วยเรียบบทย่อยๆที่พรพุทธเจ้าท่านบอกก็คือเช่นเหลียวซ้ายแลขวา ก็ให้รู้สึกหรือว่าผู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็ให้รู้สึกนะฮะหรือท่านสอนพระนุ่งสบ o ทรงจีวรก็คือท่าทางในการใส่เสื้อผ้า <c oughs> ก็ให้รู้สึกหรือแม้แต่กินข้าวนะกินดื่มขับทายก็ให้รู้สึกไปด้วยเอย่างพวกนี้เราทําไหมทุกวันทํานะ มาถึงเราใส่ผ้าไหมทุกวันใส่เสื้อทุกวันขับถ่ายกินดื่มก็ทําทุกวันใช่ไหมแต่สังเกตไหมไอ้กีจวัตรธรรมดาที่เราทําทุกวันเนี่ยแต่ใจเราไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่ทําใช่ไหมเรากินข้าวเนี่ยใจอยู่ที่ไหนสังเกตดู้ไหมเราเดินใจเราอยู่ที่ไหนเราแป่งฟันใจเราอยู่กับการแป่งฟันไหมใช่ไหมเราใส่เสื้อผ้า ใจเราไปถึงที่ที่จะไปก่อนทรื่อย่างนะบางทีนะอันนี้คือเอีย บ, บพวกนี้นะมันเป็นที่เอางี้ท่านสอนเรื่องง่ายๆนะแต่เป็นสิ่งที่เราดึงดูนะเหมือนกับที่เขาว่าเส้นผมบางภูเขาเราไปคิดว่าโอ้ธรรมะมาต้องเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่มันเกินวิสัยของคนทั่วไปจริงรู้ช่านย้ำว่าเรื่องธรรมดากินดื่มขับถ่ายผู้เหยียดเคลื่อนไหวเพียงแค่เราเติมความรู้สึกตัวเข้าไป เติมไปแล้วจะเป็นยังไงใจแล้วใจจะเป็นปกติคือถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยใจมันจะนิ่งๆใจจะสงบใจมันจะไม่ไม่ปรุงแต่งไม่ปุุงร้านให้ใจที่เป็นแบบนี้แหละเรียกว่าใจปกติคำ ว, ว่าปกติคือศินศินแปลว่าปกติก็ได้นะศินคือสีดาที่มันมั่นคงไม่หวันไหวเป็นปกติ เมื่อเรามีศีลแบบเนีน้เมื่อใจเป็นปกติมันมีความมั่นคงมันจะไม่เกิดความกังวลมันจะไม่เกิดความกลัวเรียกเป็นสมาธิก็ได้สมาธิคือมั่นคงไม่ไม่หวั่นไหวไปทางไหนเมื่อมีสมาธิมันจะเกิดความสุขความสบายเนาะเหมือนเรามั่นคงมาอยู่ที่บ้านออยู่บ้านทําอะไรเรารู้สึกผ่อนคลายใช่ไหม อยู่กับหรืออยู่กับเพื่อนที่เราคุ้นกันเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เกรงไม่กลวัวมันจะรู้สึกผ่อนคลายสมาธิเกิดตรงนั้นแหละเกิดความผ่อนคล า, า, ายเกิดความสุขใจนะแล้วพอเราทำแบบนะั้นสะสมไเรื่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจความจริงเพราะว่าเราเห็นกายเห็นใจด้วยใจที่เป็นกลางสบายๆเนี่ยเราจะเห็นด้วยความเป็นจริงนะแต่ถ้าใจเราเครียดเราจะมองบางอย่างเนี่ยมันจะมองด้วยด้วยอคติของเรา หรือบางอย่างเราชอบมันมากเราก็จะมองแบบหลงไป เ, ออเป็นอะไรก็ดูดีไปหมดเราจะไม่ดูด้วยความเป็นจริงอันนี้คือปัญญามันจะเกิดจากการที่เราผ่อนคลายแล้วก็ดูสังเกตไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดความเข้าใจความเข้าใจร่างกายกับจิตใจตามความเป็นจริงนะแต่เครื่องมือที่สําคัญเนี่ยที่ว่าเราใช้ถ้าภาษาบาลีเรียกว่าส ต, ติสัมปชัญญะภาษาไทย ผูตร่มดวงง่ายๆแปลว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวคำว่าตัวนี่คืออะไรตัวเรามีอะไรลายกับกับจิตจิตใจเนาะเนี่ยตัวเรามีสองตัวเนี่ยแต่ถามเลยกายเราดูมันไม่ไม่ได้รู้แบบแบบหมอนะไม่ใช่รู้แบบ อ่ากายยอบิาพาวนะ่ะไม่ใช่รู้แบบนั้นแต่เพียงแค่รู้สึกถึงเรียกว่าอิเดียบทของกายก็ได้เนะรู้ไปก่อนอันนี้รู้แบบเปิดย่อยไปก่อนต่อไปเราจะเข้าใจสิ่งที่มันอยู่ในกายนะี่มันมีอะไ ร, ระาภาษาพากได้ว่ากายภายในบ้างกายภายในนอกบ้างมันจะเข้าใจตอนนี้นะกายที่ตอนแรกเรเห็นว่าเนี้ยเป็น เนื้อหนังมังสาเป็นตัวเป็นตนเราจะเห็นว่าภายในตัว น, นั้นมันเป็นอะไร อ, อันนี้คือกายในกายจิตในจิตก็เหมือนกันเนาะเราจะเห็นที่ออกแต่ก่อนเราเชื่อความคิดเราไปดูไปจริงๆความคิดมันเป็นอะไรนะคนเชื่อถือคนคิดมันไหมเราก็จะเข้าใจอาศัยเครื่องมือเนะเรียกว่าเอ า, วาความรู้สึกตัว คือการรู้กายด้วยใจในปัจจุบันนาะเป็นเครื่องมือฝึกอามือเอามือว า, างไว้ที่หัวเข่าเนาะลองฝึก ด, ดูวิธีการตัวนี้เป็นั่งแบบไหนก็ได้นะ่โยมนะเป็นนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งพักเทียบนั่งแบบไหนก็ได้นะเอาเอานั่งที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะตึงเกินไปเป็นยังไง หรือบางคนตึงแล้วผ่อนคลายก็ได้นะบางคนตึงพอดีอย่างเงี้ยบางคนมีปัญหาหลังงอๆนิดหน่อยสบายกว่าเลยก็แล้วแต่นะให้ให้เราเอาความรู้สึกของเราเองว่าแบบเนี้ยได้ว่าพอดีของเรานั่งให้พอดีแล้วก็สายตาก็มองไปข้างหน้าแบบมองแบบผ่านๆนะวิธีของเราไม่หลับตา พอได้ฝึกเพื่อให้ใคล้ายๆมันใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันที่เราทําการงานเราทำต่างเราดึงตาทำแล้วก็ได้ฝึกแบบนะแบบดึงตานะดึงตาแต่แต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องเอาตาไปคอยมองอย่างอื่นนะไม่ได้ใช้สายตาแต่เปิดตาใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมไม่ใช้สายตาแต่เปิดตาไว้หูก็เหมือนกันไม่ได้ปิดนะก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเนาะ ตอนนี้รู้สึกตัวไหมทำอะไรเยอะนั่งอยู่รู้ไหมหายใจเข้าหาจะออกรู้ไหมจริงเหรอเรารู้จริงเหรอถ้ามาไม่ถามรู้ไหมไม่ค่อยดู้นะแต่บางคนถ้าเคยฝึกแบบดูลมหายใจพอนิ่งๆสักพักก็จะจับลมใช่ไหมจับดูลมหายใจเข้าดลมหายใจออกก็ได้ แต่นี้เราเอาไอเดียบทแบบหยาบๆนั่งก็รู้ว่านั่งนะยังไม่ต้องสนใจลมหายใจนะนะรู้สึกว่านั่งอยู่น ะ, ะตะแคง ม, มือขวาตั้าไว้รู้สึกไห ม, มยกมือขวาขึ้นรู้สึกอรู้สึกนะกนะวาง ม, มือไว้ที่หน้าท้องรู้สึกพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นรู้สึกยกขึ้นรู้สึก รู้สึกคือกายเคลื่อนไหวนะวางไว้ทับมือขวารู้สึกตัวมนะือขวาเลื่อนขึ้นรู้สึกข้ อ, อข้างข้างรู้สึกตั้งลงหัวเขา่ารู้ตัวคว่ำรู้มือซ้ายเดือนขึ้นรู้ข้ อ, อข้า ง, างรู้ตั้งเขา่ารู้คว่ำรู้ รู้ไหมที่ว่าดูคืออะไรบนนี้เราดูการเคลื่อนไหวดูอะไรอีกดูเวลากระทบลงรู้ไหมเวลากระทบรู้นะเป็นกระทบที่ขากระทบที่ท้องก็รู้หรือบางทีเช่นฟิกตั้งไว้เรารู้เคลื่อนแล้วที่มันตั้งเฉยๆมัมีอะไรเคลื่อนไหมไม่มีมันหยุด หยุดเราก็รู้ได้นะใช่อืมเนี่ยบางทีเอาหยับหยาเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้กระทบก็รู้นี่รู้อะไรก็ได้นะอืมมันจะมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเมืม่อกี้เคลื่อนแล้วก็หยุดอย่างนี้นะหรือเมื่อกี้พอเคลื่อนแล้วกระทบนะเคลื่อนแล้วกระทบแล้วก็หยุดมันจะเป็นมันต่อกันต่อกันต่อกันเนี่ยเราจะดูแบบแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องพูด ว่ารู้ไม่ต้องพูดว่าเคลื่อนไม่ต้องพูดว่ายุดไม่ต้องพูดว่าอะไรรู้เป็นเป็นกิริยาในใจเฉยๆเนานะอืม่าวางมือขวากันเนาะวางนะมไว้ก็รู้เนาะอ่ะพิกรู้นะยกอไม่ต้องชานาะวางพิกมือซ้ายยกวางมือขวามือขวาเอเื้อนขึ้น ออกข้างข้างตั้งลงความหนึซสายเรื่องขึ้นออกข้างข้างตั้งลงความอลองทำเองเลยนะถ้าจำไม่ได้กระดูอ่ะมานนะ มีเลื่อนมีหยุดนิดนึงเนาะแล้วก็ให้เรารู้เป็น ค, ครั้งคล้ายๆเหมือนกับเราอ่านหนังสือล้วอ่านเป็นคล้ายเป็นคำเนาะเป็นคำเป็นคำไป ก็เหมือนกันให้เรารู้สึกถึงการเคลื่อนการกระทบการหยุดกี่รครั้ง ต้องกลมมากครับไม่ต้องกลมมาอาจจะแค่หลบสายตาต่ำนิดนึงแต่ไม่ต้องกลมหรือถ้าใครหลบต่ำแล้วมันเก่งไปก็มองตรงตง คือกายอยู่ในอิเดียบทใดทำอะไรใจคอยรู้ติกเหมือนเป็นผู้รู้ผู้ดูคล้ายคล้ายเหมือนกับเราดูโทรทัศนะ์เรานั่งดูภาพเสียงที่เกิดขึ้นจากโทรทัศน์เราก็รู้ตามความเป็นจริงตรงนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกัน กายที่เคลื่อนไหวใจที่คิดนึกนะสตินะความรู้ตัวคอยรู้ทันมันให้มันแยกสองส่วนนะส่วนที่ส่วนที่ดูเนะี่ยคือสติตั้งมั่นไว้แต่อาการที่เกิดขึ้นให้สติมันดูมันเห็นนะก็เป็นส่วนส่วนหนึ่ง พอเกน อ, อ่ า, าเพื่อนบอกว่เป็นไงกันบ้างเมื่อกี้ที่ได้ลองปฏิบัติเป็นชุดที่มาเป็นก็<อ>คิดคิดเรื่องอื่นหรือว่าคิดเรื่องที่ทำอยู่แล้ว <c oughs> เป็นมันคิดยาวไหม สัมค่ะก็รู้สึกรู้ได้เร็วว่าตัวเองกำลังคิดเร็วขึ้นอันนี้แหละนะคือเวลาเรามีอย่างมีความตั้งใจทําบางอย่างเช่นะเราตั้งใจที่จะสร้างการเคื่อนไหวเป็นจังหวะอะไนี้นะมันโดยธรรมชาติเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อห้ามความคิดนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าใจว่า ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องไม่คิด อ, อย่าที่ว่าเราจะเราจะรู้ทันสิ่งที่คิดแต่แต่ก่อนถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มีการกระทําเพื่อ น, บบนั้นนะบางทีมันคิดเนะี่ยเราจะไม่รู้ตัวเราก็จะไปกับความคิดเลยกินข้าวอ้าวคิดเรื่องงานได้ก็ขอคิดหานต่อไปเลยใช่อืมหรือบาทีนอนอยู่เข้ามีเรื่องเข้ามาคิดนะก็ ก็เลยคิดนะแทนที่จะนอนเพื่อจะหลับก็คิดไปใช่ไหมเพราะคืออะไรเพาเราดื่มตัวเนาะหรือบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าคือมันก็เป็นธรรมชาติทุกคนนะอ่าไม่แต่พระเองถ้าถ้ามันคิดแล้วมันไม่มีกรรมฐานมันก็จะไปอนยะ่างนันแต่นี้คือเครื่องมือท้ายๆกลับมาตรงนี้เนะอืมกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่มันจะทำให้เรากลับมาจากความคิดเนาะ มันเหมือนคล้ายมันเพียงแค่เหมือนเป็นกุบายอย่างที่พอาจารย์พูดมาคือถ้าเราเอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ไม่มีเวลาไปทําสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ได้สาระที่มันก็อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เอาจิตมารู้สึกถึงกายที่กำลังทําอยู่จิตมันก็จะไม่ไปไหลไปกับความคิด <c oughs> ใช่ไหมเพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตมันรับรู้อารมณ์ทีละ อ, อยางนะ จิตเมื่อไใดที่จิตมารู้กายเมื่อ น, นั้นมันก็จะไม่ไปรู้ความคิดนะหรือไม่ไปคิดนะแต่คิดว่าจิตมันเร็วมากที่จริงถ้าจะ ด, ดัทดทฤษฎีนะแต่จิตถ้าคนไม่ได้เห็นจริงจมันจะไม่เห็นแยกขนาดนั้นได้หรอกเขาบอกอย่างเราดูดูหนังหรือดูอะไรก็แล้วแต่นะ่ะจิตมันรู้ได้ทีละมันรู้ทีละอย่างนะขณะที่เห็นภาพ อันนี้ก็จิต ด, ดัวนึงขณะที่ได้ยินเสียงก็จิตอีก ด, ดัวนึงอนะไรแบบนี้หรือเราไปอยู่ร้านอาหารสมมตินนะมีดนตรีแสดงมีอะไรต่างๆนะเรากินข้าวจิตที่มันรับรู้รสชาติก็ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ดินรับรู้รสชาตินะรด้สัมรู้สึก ม, มันทีดินมันรับรู้รสก็จริงแต่จิตถ้ามันไม่รู้มันก็เฉยๆนะเข้าใจไหมเหมือนเรากินขนมหวานสมมติแต่จิตเราคิดเรื่องอะไรก็อยู่นะ เช่นกำลังพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยความหวานของรีที่รับรู้รสเนี่ยมันเหมือนจืดไปเลยใช่ไหมมันคือเราไม่สนใจไปเลยมันเนี่ยเพราะจิตมันรับรู้อารมณ์ในทีละอย่างแต่พีนี้ว่ามันมันเร็วมากมันต่อเนื่องเร็วมากนะเนาะเหมือนเหมือนกับไฟที่เขาเนี่ยมันก็กระพริบทีทีจนเรารู้สึกว่ามันมันคงที่นะจิตนี้ก็เหมือนกันเราก็เพียงว่าถ้าเราเข้าใจดักพิธีแล้วจิตมันรับรู้อารมณ์ในทีละอย่าง แล่เราไม่ต้องไปห้ามมันเราเพีแค่กลับมากลับมาหาสิ่งที่ให้มันเป็นความปกติเนาะคือนะกลับมาดูกายคิดเคลื่อนไหวไอ้ที่มันคิดก็จ้ำหัวมันนะก็คือไม่ยึดมันไว้เนาะเนี่ยแล้วก็เวลาทำเป็นไงจิตใจมีเก่งไหมเก่งเพราะอะไร กลัวจำท่าไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะก็แรกๆเปิดนันนะแรกๆ ก, นะ ก, ก, ก็อยากจะเกรงกลัวผิดท่าแต่พอหลังๆจำท่าได้คล่องนะอ่ะทีนี้จะทำไปทำท่าถูกนะแต่ใจก็อาจจะเผลอไปก็มีน ะ, นะก็ไม่เป็นไรนะคุณนั่งกุ ม, มน้อยยังไงก็ใจ ได้เนาะ อ, อันนี้คือเรียกว่าปฏิบัติทำเรียกว่านั่งยกมือสร้างจังหวะเนาะเป็นทําแบบนี้แต่ที่จริงทําแค่นี้ก็ได้พลิกงายดิดพิกคว่ำก็ได้หรือกรมือลอแรมมือม อ, นะะม อ, อะไรก็ได้นะคือคือฝึกแบบเนี้ย ต่อไปโยมจากแก้วน้ําคูแคนเข้าเหยียดแคนออกมันเป็นความรู้สึกนะกวาดบ้านความรู้สึกคะมือที่เคลื่อนไหวอะไรแบบนั้นนะต่อไปปากที่เคลื่อนไหวพูดกินอะไรแั้นมันก็คือคือตู้เยียบบทอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นรูปแบบที่เฉยๆนะแต่ต่อไปมันไปไปยุกต์กับการงานของเราเนี่ยแหละ <c oughs> นั้นเราจะเข้าใจแล้วที่จริงโอ้สติปฐานเรื่องปุตติเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่ต้องอยู่นิ่งๆหรือต้องไปอยู่วัดที่จริงเรากวาดบ้านเราก็มีสติเรากินข้าวเรารู้สึกตัวกับการเคี้ยวกับการรสชาตินะแล้วก็นี่ก็มีสตินะเราจะเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบเลยมันอยู่ที่ว่าใจเราอยู่กับสิ่งที่ทํำไหมหรือว่าใจเราเผลอไป อืใช่ไหมแค่นะ้ถ้าใจเรารู้ตัวใจอยู่ในสังเวยนะใจที่รู้ตัวกับใจที่หลงแค่นั้นนะรู้กับหลงเราจะเลือกที่จะรู้หรือเลือที่จะลหลงแค่นั้นครับอะไรก็ได้นะอันนี้แต่ถ้าทำแบบนี้ก็แรกๆอาจจะเกร็งบ้างก็ให้สังเกตดูว่าทําแบบไหนแล้วมันผ่อนคลายผ่อนคลายยกมือก็ผ่อนคลายนะ บางคนอาจจะเก่งนะแบบนี้ตัดอันมานว่าเก่งนะเก็อาจจะยิ้มสักหน่อยทำเบาๆขึ้นสบายๆอันนี้สบายใบหน้าเองก็เหมือนกันเราก็ดูตัวเองนะอาจจะไม่ได้เห็นกระจกสองใบหน้าแต่เองแต่มาเชื่อว่าเราจะรู้สึกได้เช่น เนี่ยคือเก่งเห็นไหมเก่งไปเราก็จะรู้สึกถึงความตึงใช่ไหมความตึงตั้งใจไปแล้วหรือบางทีมันเก่งจะรู้สึกเลยว่ามันหายใจไม่สบายมัจ็อิดอัดใช่ไหมฮะเราก็ปรับลมหายใจให้สบายปรับใบหน้าปรับสายตาให้สบายนะปรับท่านั่งอะไรให้สบายขึ้นก็ได้นะลองทำต่อ ลองสักห้านาทีลองดูสังเกต ด, ดูทำนะแล้วก็ให้สบายขึ้นเนาะเอาป้ายชื่อเอาไว้ตรงติดไหลก็ได้เวลายกนี่มันจะได้ไม่ไม่ติดป้ายหรือว่าตรงไหนที่เรายกมันไม่ติตนะ อย่างที่ว่าจิตมันรู้อารมณ์ที่ใดอย่างนั้นเราก็เลยให้มันเกิดความรู้เช่นกายที่เคลื่อนไหวให้รู้ที่ละขณะที่ะจังหวะที่ะจังหวะแต่ถ้ามันจะไปรู้อย่างอื่นแท้ก็ไม่เป็นไร คิดอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะกลับมาก่อนกลับมารู้สึกว่าตอนนี้กำลังทำอะไรยอยู่ไม่ต้องไปสใสัยไปคิดว่าทำไมถึงคิดทำไมถึงน น, นั้น รู้ว่ากำลังทําอะไรนั่นแหละคือความรู้สึกตัวแล้วนะไม่ต้องไปสงสัยว่าเอเรารู้ถูกรู้ผิดนะรู้ว่าตอนนี้กำลังทําอะไรอยูนะ่หรือรู้ทันว่าตอนนี้มันือไปคิดแล้วนะรู้สึกตัวแล้วนะรู้แล้วใจเป็นปกตินั่นแะหละคือความรู้ตัว สบายๆนะแต่ไม่ต้องกําหนดลมหายใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวนะเพียงแค่ฟังครั้งเรารู้สึกว่ามันไม่หายใจไม่สบายก็ให้มันสบายขึ้นแต่ไม่ต้องไปกําหนดนี่มันเป็นงว่าพร้อมกันเรารู้สึกถึงการเคลื่อนเป็นหลักก่อน รู้สึกถึงการกระทบรู้สึกถึงการหยุดก็เป็นตัวเสริมไป ยังไงเป็นเมตตาผิดหลายครั้งเลยค่ะผิดท่าใช่ค่ะพอหลุดไปคิดกย่างอ่งก็หลุดเลยค่ะเดิมเนาะนะ <c ười> มันเหมือนที่ท้ายเรายังขับไม่คล่องเนาะเหมือนเราพอเราเคยคิดอะ่ะเดิมเลยซอยละออ <c ười> แต่ถ้าที่ไหนเราคล่องค่องเนมันก็ไม่ค่อยหลงนะ อันนี้ก็ผิดก็กลับมาใหม่ไม่เป็นไรนะอย่าไปตีปเรื่ังมันมันก็ท่าก็คือแค่สมมุติแต่จริงตัวจริงๆคือรู้สึกรู้สึกกายขยับหรือว่ารู้สึกวใจเราเตอไปไปคิดท่านะนี่คือท่ามันเป็นสมมุติจะท่าอะไรก็ได้เพราะท่าเนี้ยต่อไปเราไปยุ่งกับเวลาเราไปออกโยคะเวลาเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้อืม แต่มันต้องเป็นการเนื่องไม่มันไม่ใช่แต่จริงมันไม่ใช่แค่รู้ว่ากายเราเคลื่อนอย่างเดียวหรอกถ้าถ้ากายเคลื่อนเนื่องด้วยอกุศลแม้จะรู้กายเคลื่อนก็ไม่ใช่นะเช่นเรารู้ว่ากายเคลื่อนตกยุง <c oughs> จิตมันเป็นอกติสนคิดจะไปทํำลายเขาดูว่ากายเคลื่อนรู้ว่ากินเหล้า่างเงีนะมั น, นะมน มันผิดศินอยู่ในตัวของมันเราจะรู้สึกแค่กายที่เคลื่อนไหวแต่จิตมันเป็นอกัสดอยู่มันไม่ใช่เพราะมันที่จริงอย่างคนที่เขายิงปืนแม่นแต่ยิงปืนเพื่อฆ่าสัตว์ยิงเพื่อฆ่าคนสมาธิเขาดีรู้สึกถึงการเลงลึกนึงอะไมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะจริงหลักจริงๆเรารู้กายเพื่อให้มันเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจได้ะถ้ามันเป็นอากัสดมันแตลอย่กับการกระทํำนั้นน่ะมันจะต้องละด้วยนะ และอัตโนั้นไปด้วยนี่คือไม่ใช่แต่รู้กายไว้เป็นเมื่องเพื่อให้เห็นว่าใจมันมีอะไรแฝงแต่บางอย่างถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เลยมันเหมือนเป็นอตนัอตโนมัติเนาะพอคิดคิดคิดแบบตบก็ตบเลยแบบนี้นนะคิดเสร็จทำอะไรก็ทำไปเลยแต่พอเรารู้ทันมืออามันจะหยุดก่อนมันจะยั้งก่อนนี่คือเนาะก็ อันนี้เดแบวค่อยๆเข้าใจไปทําไปไบ่อยๆปวดเมื่อยไหมเปไน็นไงทุกไหมยทุกทุกอะไรทุกมันเมื่อยเวลา้ามันกายทำให้รู้สึกว่ามันเป็นทุกทุกของใจหรือทุกของกายทุกของกายอ่าดีแล้ว <c oughs> ทุกของกายดีแล้วเราเห็นเป็นทุกของกายเนาะใจ เป็นไงไม่ทุกข์หรือก็ทุกข์บ้างบ้าง น, น, นะแต่สังเกตว่าพอตอนที่เรามีเครื่องอยู่ตอนที่เราทำอยู่ขาก็เมื่ออยู่นะแต่พอใจเราอยู่กับสิ่งนี้นนใจทุกข์ไหมบางทีเนี่ยเราเอามาใช้กับเวทนาทุกขเวทนาของกายนะบางคนพอมีเวทนาของกายทุก ปวดเจ็บอะไรจิตมันไปอยู่กับตรงนั้นใช่ไหมจิตตอนนี้สมมติบางคนมันอยู่ที่ขาที่เจ็บหรือบางขณะเราปวดท้องจิตแต่ไปอยู่ที่ท้องอันนี้อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคือกายจริงไม่ได้เจ็บปวดทั้งหมดนะเราเปลี่ยนมาอยู่กับบางอย่างที่มันไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเช่น ม, มือเราพลิกได้ก็พลิกมือไปหรือบางอย่างเนี่ย ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องการหายใจจริงๆนะกลับมาอยู่กับลมหายใจเนะี่ยลมหายใจให้ไม่ได้เจ็บปวดนะใช่ไหมก็ได้นะอืมหรือบางทีนะครึงนิ้วเบาๆเนี่ยเวลาเรามีทุกขเวทนาบางอย่างนะเรากลับมาอยู่ตรงนีน้มันจะทําให้จิตเรามาออกมาจากความทุกข์เช่นปวดขาปวดท้องปวดหวัวเรามาอยู่ตรงนีนนะ้จิตมันจะมีเครื่องอยู่แล้วมันจะเห็นว่าไอ้กายก็ยังทุกข์อยู่ แต่ใจพอมีเครื่องอยู่มันจะเบานใจจะเบาลรืทุกของกาก็จะเบาขึ้นแต่ถ้าจะ ถ, า, ถามว่าหายหรือเปล่ามันก็ไม่หายเพราะว่าในร่างกายก็เป็นธรรมชาติทำแบบนี้นะนะแต่เราก็เปลี่ยนได้นะเช่นเปลี่ยนขณะที่ยกนะเช่น ย, ยกเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกแต่ถ้าเปลี่ยนมอ้าวปวด รี่เปลี่ยนคือใจไม่ชอบสมบูรณนะแต่ถ้าเรากําหนดรู้ทุกคือสิ่งที่กําหนดรู้รู้ว่ามันทุกเปลี่ยนใช่ไหมขนาดที่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนด้วยความกําหนดรู้ไปด้วยมันจะไม่ใจมันก็เป็นปกติแต่ถามเราเคยทําอะไรที่มันเร็ ว, รวคือเร็วเรารีเปลี่ยนมันไม่ชอบใช่ไหม เหมือนเราเฮ้เคยนหะมเปลี่ยนดีเหม่อแบบเร็วๆอันนี้มันไม่ชอบเลยโฆษณารดิเปลี่ยนเลยเราทําอะไรด้วยความรวดเร็วบางทีก็อาจจะแฝงด้วยความไม่ชอบใจสังเกต น, นะอืมค่อยๆคกเข่าวขึ้นมาได้นะควบข่าวนะนะนะลองทําอะไรมันจังหวะที่มันแบบไม่เร็วเกินไปแต่ก็ไม่ใช่แบบช้าๆควเข่าขึ้นยืนขึ้นเนาะ ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าต้องแบบต้องช้าแบบเต่าขนาดนั้นนะแต่พีแี่ว่าใัยืนกันให้ยาวสบายนะยืนออกมาตรงหน้าร เดินอย่างทีเดินแบบไหนให้สบาย<ม>ยกเท้าแบบไหนสบาย<ม>รู้สึกไหมยกขาขึ้นก็รู้สึกเท<ม>้าสัมผัสพื้นก็รู้สึก ร่างกายเอ็นไปทางซ้ายเอง็งไปทางขวาก็รู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะใช่ไหมขณะที่ยกก็รู้ขณะที่เยียบก็รู้ที่จริงมันยกก่อนแล้วก็เอ็นแล้วก็เยียบ <c oughs> แต่เราไม่ต้องไปพูดสักนะ แ, นแค่พูดเป็นภาษาที่โยงข้อใจแต่แต่เราไม่ต้องไปพูดในใจว่ายกเอ็งหรือว่าเยียบ เดินมาข้างขวาบระจากข้างฟ้าดูกลับข้างซ้ายขวาในนะสลับไปเรื่อยครับหยุดนิดนึงแล้วก็สลับกลับไปเขื่อนก็รู้หยุดก็รู้นกระทบก็รู้ ก็จะใสบายๆเนาะ เราจะยุดไหนสังเกตได้ไหมใจหยุกับการเดินไหรือใบใจไปที่อื่นกลับมาหนักดูนัก เวลาตักเคลื่อนนะ <c oughs> จะจริงจะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังคือมีการเคลื่อนไหว น, นะเราอยู่กับสิ่งที่เรากป็ลังทําอยู่เดี๋ยวเราหันหน้าไปทางข้างๆเอาเป็นแถวนะยอมงจากแถวระหว่างช่องที่นั่งเก็บเบาะเล็กๆไว้ข้างบนเบาะใหญ่ใส่วางแถวที่มันแคบๆ แ, แล้วก็ขยาย ๋ยนท <ừ. S 1> ี่เหยื่อด้านหน้าก็ถอยลงมาข้างหลังแหละถอยไเพิ่มแถวข้างหลังบ้างก็ได้ก็วิธีนี้ถ้าแต่ไม่ไม่ไม่เดินช้าเดินไปไม่เดินเร็วเดินไปถ้าปกติก็มันเหมือนเดินธรรมดา เพ mm ื่อกระทบแล้วก็รู้สึกแต่ไหนทําไม่ดู เวลาลับถ้าถ้าเราเดินที่แคบๆสั้นๆไม่ยาวมากก็ตับแบบหันหน้าไปท้านเดียวหันหน้กตับซ้ายทีกวาทีเลยนะให้เราไม่เกี้ยวหัวแต่ถ้าเดินที่ยาวจะกับคนละด้านแด้เป็นมากก็ เดินในแถวของเรานะแล้วก็ถ้าใครตับตัวก่อนแล้วเพื่อนยังในแถวที่ทำไม่เสร็จแล้วก็เดินกับที่เราพอเพื่อนเดินไปข้างหน้าแล้วก็ตัดต่อไปเลยเกิดเป็นแถวแถวไหนตับก่อนก็เดินต่อเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวอะไรเดินธรรมดา